วิธีคิดแบบโยนิโสมนัสิการแบบที่5วิธีคิดแบบอัฏฐธรรมสัมพันธ์วิธีคิดแบบอัฏฐธรรมสัมพันธ์หรือคิดตามหลักการและความมุ่งหมายคือพิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะกับอัฏะหรือหลักการกับความมุ่งหมายเป็นความคิดที่มีความสำคัญ ม, มาก ในเมื่อจะลงมือปฏิบัติทำหรือทําการตามหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ผลตรงตามความมุ่งหมายไม่กลายเป็นการกระทําที่เคลื่อนคลาดเลื่อนลอยหรืองมงายธรรมแปลว่าหลักหรือหลักการคือหลักความจริงหลักความดีงามหลักการปฏิบัติหรือหลักที่จะเอาไปใช้ปฏิบัติรวมทั้งหลักคําสอนที่จะให้ประพฤติปฏิบัติและกระทําการได้ถูกต้อง อัตตแปลว่าความหมายความมุ่งหมายจุดหมายประโยชน์ที่ต้องการหรือสาระที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติธรรมหรือกระทำการตามหลักการใดๆก็ตามจะต้องเข้าใจความหมายและความมุ่งหมายของธรรมะหรือหลักการนั้นๆว่าปฏิบัติหรือทาไปเพื่ออะไรธรรมะหรือหลักการนั้นกำหนดวางไว้เพื่ออะไร จะนำไปสู่ผลหรือที่หมายใดบ้างทั้งจุดหมายสุดท้ายปลายทางและเป้าหมายท่ามกลางในระหว่างที่จะส่งทอดต่อไปอยังธรรมะหรือหลักการข้ออื่นๆความเข้าใจถูกต้องในเรื่องหลักการและความมุ่งหมายนี้นำไปสู่การปฏิบัติถูกต้องที่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบั ต, รรรรบติแปลอย่างสืบสืบกันมาว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม แปลตามความหมายว่าปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่หรือปฏิบัติธรรมหลักย่อยคล้อยตามหลักใหญ่แปล ง, ง่ายๆว่าปฏิบัติธรรมถูกหลักคือทำให้ข้อปฏิบัติย่อยเข้ากันได้สอดคล้องกันและส่งผลแก่หลักการใหญ่เป็นไปเพื่อจุดหมายที่ต้องการตัวอย่างความหมายของธรรมานุธรรมปฏิบัติจากบาลีและอัตถกถามีดังนี้ 1>, 1. ปฏิบัติธรร ม, มานุธรรมะคือปฏิบัติชอบปฏิบัติสอดคล้องปฏิบัติไม่ขัดปฏิบัติคล้อยตามอัฏฐะ 2. ธรร ม, มานุธรร ม, มปฏิบัติคือดำเนินปฏิปทาส่วนบุพภาคอันเป็นธรรมคล้อยตามแก่โล ก, กุตระธรธรม9 3. ้าคือดำเนินปฏิปทาส่วนบุพภาคพร้อมทั้งศีล อันเป็นธรรมสอดสมแก่โลกุตระธรรม9คือดําเนินปฏิปทาส่วนบุพพาคพร้อมทั้งศีลเพื่ออัตตะคือโลกุตระธรรม4คือปฏิบัติวิปัสนาธรรมอันเป็นธรรมะคล้อยตามอริยธรรม 5. คือดําเนินวิปัสนามัคขาอันเป็นธรรมะอนุรูปแก่อริยธรรม6คือดําเนินปฏิปทาที่เป็นธรรมะ คล้อยตามนิพพานธรรมซึ่งเป็นโลกุตระ7คือเจริญวิปัสนาภาวนาอันเป็นธรรมะน้อยเพราะสอดคล้อยแก่โลกุตระธรรม8ธรรมานุธรรมะคือธรรมะและอนุธรรมะ 9. ธรรมานุธรรมะขายความว่าอนุธรรมะคือปฏิปทาอันเหมาะกันแก่ธรรมะสิ โลกุตระธรรมก้าชื่อว่าธรรมะวิปัสสนาเป็นต้ น, ช, น, รร น, นรรชื่อว่าอนุธรรมะปฏิปทาอันเหมาะกันแก่ธรรมะชื่อว่าอนุธรรมปฏิปทาธรรมานุธรรมปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากอาจเรียกได้ว่าเป็นตัวตัดสินว่าการปฏิบัติธรรมหรือการกระทำนั้นๆจะสำเร็จผลบรรลุจุดมุ่งหมายได้หรือไม่ถ้าไม่มีธรรมานุธรรมปฏิบัติการปฏิบัติธรรม หรือดำเนินตามหลักการก็คลาดเคลื่อนผิดพลาดเลื่อนลอยว่างเปล่างมงายไร้ผลนำซ้ำอาจมีผลในทางตรงข้ามคือเกิดโทษขึ้นได้ธรรมะทุกข้อมีอัตถะหลักการทุกอย่างมีความมุ่งหมายธรรมะเพื่ออัตถะหลักการเพื่อจุดหมายจะทำอะไรต้องถามได้ตอบได้ว่าเพื่ออะไร ในทางธรรมท่านเน้นความสำคัญของการมีความคิดมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้มากทั้งในแง่เป็นคุณสมบัติของบุคคลเช่นสัพปริสธรรมเจ็และปฏิสัมพิทาสีเป็นต้นและในแง่ลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมเช่นปัญญาวุฒิธรรมและแนวปฏิบัติธรรมที่จะยกมาแสดงต่อไปเพื่อช่วยส่งเสริมความเข้าใจขอยกบาลีบางแห่ง มาดูประกอบดังนี้ในธรรมมัญยูสูตรอังคุตรนิกายสัตกานิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นธรรมมัญยูเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ธรรมะคือสูตรเคยยะวายกรณคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอพูตธรรมเวทันละ ภิกษุเป็นอัฏถานอยู่เป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้อัฏฐะแห่งธรรมะที่ภาสิทิแล้วนั้นๆว่านี้เป็นอัฏฐะแห่งธรรมะที่ภาสิท์ไว้ข้อนี้นี้เป็นอัฏฐะแห่งธรรมะที่ภาษิท์ไว้ข้อนี้ในอัปปสุตสูตรอังกุตตระนิกายจตุกนิบาศพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นพหูสูตร และเป็นผู้เข้าถึงโดยสุตตะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนมีสุตตะหรือความรู้ที่ได้เล่าเรียนสดับไว้คือสูตรเคยะวยาก์คาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอัพภูตธรรมเวทันละเป็นอันมากเขารู้ทั่วถึงอัฏฐะรู้ทั่วถึงธรรมะแห่งสุตตะที่มากนั้นแล้วเป็นธรรมานุธรรมปฏิบัต คือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมถูกหลักอย่างนี้แหลบุคคลชื่อว่าเป็นพระหูสูตรและเป็นผู้เข้าถึงโดยสุตะในอุมมังคสูตรอังคุตรณนิกายจัตุการนิบาศพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายเราแสดงไว้แล้วเป็นอันมากคือสูตรเคยะวยาก์คาถาอุทานอิติวุตกะชาดก อภูตธรรมเวทันละถ้าแม้ภิกษุรู้ทั่วถึงอัฏฐะรู้ทั่วถึงธรรมะแห่งคาถาที่มีสี่บาทแล้วเป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติคือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมถูกหลักก็ควรเรียกได้ว่าเป็นพระหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมในปฐมสัตทธรรมสัมโมสสูตรอังคุตรนิกายปัญจากานิบาศพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ทำห้าประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเพื่อความอันตรธานแห่งสัตรรมกล่าวคือภิกษุทั้งหลายไม่ฟังธรรมะโดยเคารพคือไม่ฟังด้วยความตั้งใจจริงจังไม่เล่าเรียนธรรมะโดยเคารพไม่ทรงธรรมะไว้โดยเคารพไม่ไตรตรองอัตถะแห่งธรรมะที่ทรงไว้โดยเคารพครั้นรู้เท่วถึงอัตถะรู้ทั่วถึงธรรมะแล้วไม่ปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรม ภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นเพื่อความไม่ลบเลือนเพื่อความไม่อันตรธานแห่งสรัทธรรมกล่าวคือภิกษุทั้งหลายย่อมฟังธรรมะโดยเคารพย่อมเล่าเรียนธรรมะโดยเคารพคือด้วยความตั้งใจจริงจังย่อมทรงธรรมะไว้โดยเคารพย่อมไตรตรองอัตถะแห่งธรรมะที่ทรงไว้แล้วโดยเคารพครั้นรู้ทั่วถึงอัตถะ รู้ทั่วถึงธรรมะแล้วย่อมปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมเป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติพึงสังเกตแนวธรรมในสูตรนี้ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่13บาทับเประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้ฟังและเล่าเรียนธรรมแล้วย่อมทรงธรรมไว้ได้แล้วย่อมไตรตรองอัตถ หรือเรียกเป็นศัพท์ว่าอัตถุ ป, ปริขาแล้วย่อมเกิดท ร, ร ม, มานุธรรมะปฏิบัติแนวธรรมเดียวกันนี้มีมาในพระสูตรอื่นๆอีกมากมายเหลือเกินจนต้องถือได้ว่าเป็นหลักการสำคัญของการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อได้หลักนี้แล้วขอให้นำไปเปรียบเทียบกับหลักการพัฒนาปัญญาหรือคุณสมบัติที่ทาให้เป็นโสดาบันสี่ประการ เช่นที่ตรัสไว้ในพระอุการสูรอังคุตรนิกายจตุการิบาตดังนี้ภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญากล่าวคือการเสวนาสัตบุรุษการฟังสั์ธรรมโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมปฏิบัติเมื่อเทียบกันแล้วก็จะเห็นได้ว่า แนวทรรทั้งสองนี้มีสาระสำคัญอย่างเดียวกันข้อที่พึงสังเกตพิเศษก็คือข้อโยนิโสมนสิการสูตรที่อ้างข้างบนใช้คำว่าอัตถุ ป, ปริขาแทนอัตถุ ป, ปริขาแปลว่าไตรตรองหรือพิจารณาอัตถะการใช้คำว่าอัตถุ ป, ปริขาที่นี่เสมือนเป็นการจํากัดความหมายของโยนิโสมนสิการในกรณีนี้ว่า มุ่งวิธีโยนิโสมนัสิการแบบที่หคือวิธีคิดแบบอัฏฐธรรมสัมพันธ์ที่กำลังกล่าวถึงนี้โดยเฉพาะให้เห็นว่าเมื่อเข้าใจธรรมะกับอัธธรฐรหรือหลักการกับจุดมุ่งหมายสอดคล้องกันดีแล้วก็ก้าวต่อไปสู่ขั้นธรรมานุธรรมปฏิบัติลงมือทำได้อย่างถูกต้องต่อไป